อธิธาตของพระอรหันต์อันนี้คุณแม่ก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นนั้นว่าเราก็มั่นใจว่าคุณแม่เนี่ยจตินิรพานไปแล้วเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราได้มาทำบุญลํำลึกถึงพระคุณของท่านคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณถึงท่านจะ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 คุณแม่ก็ยอมรับว่าทมคำสอนขององหลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอน้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะที่ถอดถอนอกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงของจิตใจได้สงบที่ขาดออกจากจิตใจได้จากนั้นหลวงตามหาบัวท่านก็ให้ความสําคัญหรือ ว, ว่าให้ความมั่นใจว่า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 แต่ลูกพ่อก็ได้บอกกับคณะสาาัตยาธิษฐาโยมทุกหมู่เราบอกว่าถึงเราจะไม่ได้ทำวันที่สิบแปดสิบมิถุนาก็เถอะนะแปลว่าพวกเราเนี่เป็นลูกเป็นลูกหลานเป็นลูกหนี้ชั้นดีทำไมจึงว่าอย่นนั้นเพราะพวกเราใช้หนี้ก่อนกำหนดฮะลงพ่อว่านะพวกเราใช้หนี้ก่อนกำหนดแต่ถ้าว่าพวกเราไปทำบุญเดือนกรกฎาสิงหาไปนั้นไปว่าลูกหนี้ทะเลถลาย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 ถ้าภาวนากําหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายต้องเอาสองเข้าไปคื อ, คอหายใจเข้าพุธหายใจออกโธนะนี่หลวงปู่มั่นเป็นกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นคือกรรมภาวนาพุทธโธแต่ถ้าว่าสายอื่นก็ว่ายุบเนอะพองเนานะบางทีก็กําหนดเรื่องสตินะบางคนก็กําหนดตัวเจตนะทุดแท้แต่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 เอาแนวแถวของท่านมาแนะนำสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิของท่านแต่เมื่อนแนะนำสั่งสอนแล้วท่านตัวท่านเองท่านก็ได้ได้ทำที่ท่านแ น, น, นะนำสั่งสอนน่ะท่านมาแนะนำสั่งสอนพวกเราเราจะไปถือว่า เ, เราไนดะ้เราเรียนวิชาทางนี้แล้วไปปาหมาดองค์นั้นองเรียนองค์นั้นแต่ปาปาหมาดองค์นี้มันไม่ถูกอันนั้นเป็นบาปกรรมเพราะเราไม่ไม่รู้ไม่รู้ไ ม, ไม่ไม่ชนาญ เราจะไปปาหมาดท่านเป็นบาปเป็นกรรมเพราะนั้นเราต้องฟังถ้าเราทดท่านสอนอยังไงเราปฏิบัติดูถ้าปฏิบัติดูแล้วเออไม่ได้ไม่ถูกอุปนิสัยของเราเราก็เปลี่ยนกรรมาฐานใหม่เออล้วก็ไปเอาฟังดูซิองนี้ดูซิเมื่อเราไปเรียนดูแล้วถูกกับจริตของเราเอออันนี้ใช้ได้เอ้อ่ยเก็นำมาประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละให้พวกเราใ่ในการศึกษาอย่างที่หลวงพ่อแนะนา พวกลูกคณะสัตยา ญ, ญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อบอกว่ากรรมฐานหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธหลวงปู่มั่นสอนนะให้ถีเย็บอันนี้ก็คือการภาวนาแต่หลวงพ่อแนะนําว่าเออลูกหลานทดลองดูสิหลวงพ่อภาวนานรู้สึกมันเห็นได้เร็วอะเห็นได้ง่ายเห็นได้เร็วก็คือหายใจเข้าให้พวกเรานับนะ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 น้องชายน้องชายของท่านน้องชายพระพุทธเจ้าชื่อพนันทะแล้วก็น้องสาวคือนางรูปนันธาน้องสาวของพระพุทธเจ้าแต่น้องสาวต่างมารดานะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเรียว่าประสูตกับพนางเฉลิมหามายาแต่นันทะกุ ม, มารกับรูปนันธา เ, นเกิดกับนางโคตมีแม่น้ะ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 พี่น้องแต่งงานกันพี่ชายแต่งนา ง, งานกับ น, น้องสาวนะแต่นี้พอถึงกำหนดแล้วก็จะแต่งงานให้ครองครองเรือนนะจากนั้นพระองค์ก็เข้าไปเพลโปรดไปโปรดพระบิดาพระบิดาก็ยังยังอยูนะ่จากนั้นก็เห็นน้องชายกาลังจะแต่งงานอย่างไรนันทานี่ก็<ม>นันทาก็เห็นพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เข้าไปฉันในเวียงวังนันทาก็เข้าไปปนนิบัต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 ลูกชายก็มั่นใจแต่หนึ่งก็เดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปอีกออพอมาชันเสร็จแล้วก็เดินตามหลังแต่หนี่พอไปถึงก็พระบิดาครับขอประทานหุมทัพ์ให้กับผมด้วยครับเออพูดตามหลังไปพระพุทธเจ้าก็เออเออไปเรื่อยพอไปถึงวัดป่าเป่ามะม่วงที่ว่ากรุงกบินละพัฒน์ทวารราหุนจะบวชไหม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 พระเจ้าจุดโทรธนาไปกราบพระพุทธเจ้าเยกราบลูกชายกราบ พ, พระพุทธเจ้าขานขนาดข้าพระองค์ได้เป็นพระอริยบุคคลรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมในระดับหนึ่งแต่ขนาดนี้ข้าพระองค์ก็ยังเสียใจอย่างมากที่ลูกชายนันทาบวชก็ไม่เท่าไหร่เพราะยังหวังกับพระลาหุนลูกหลานชายแต่บัดนี้ลาหุนบวชข้าพระองค์เสียใจอย่างมากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะลูกเน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 ในพระพุทธศาสนาต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ซะก่อนอาถามที่ว่าอนุญญาโตซิมาตาปิโตหิเจ้าได้รับอนุญาตจากบิบดามารดาหรือยังอามะพันเตครับผมได้รับอนุญาตจากบิดามารดาแล้วจึงค่อยให้บวชนะแต่ถ้ามรารดาทำพ่อแม่ไม่อ น, นุญาตเนี่ยพระพุทธเจ้ามาให้บวชนะเพราะพ่ อ, พ, อพ่อแม่ไม่อ น, นุญาตนะ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 เพราะพระไตรยเจ้าเทศนาว่าการอยู่อย่างนี้นางรูปาปนันธาโอ้ร่างกายของข้ า, าตาก็สวยหูก็สวยอะไรก็สวยมัอพอได้ยินพระพระทุทธเจ้าตำหนิไม่พอใจไม่ไปฟังเทศนี่นี่แหละคนในครั้งนั้นก็มีมัอนกันถ้าติดสวยติดงามใช่ไหอาจากนั้นนางรูปาปนันทาไม่ไปอไม่ไปฟังเทศแต่ทีนี้ก็ต่อมาก็เห็นว่าแม่เขาบวช นางโคตมีก็บวชแล้วไปอยู่กับแม่ เ, เป็นภิกษณุณีแต่ไม่ยอมบวชนะไปอยู่กับแม่เอแต่ทีนี้ก็ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีน้อยหนุ่มทั้งหลายก็มากระกาศมาบอกโอ้โหพระพุทธเจ้าเทศวันนี้อออืเอยดย้อยเหลือเกินหน้าฟังเหลือเกินมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าเทศใครๆก็มาพูดนางรูปปัตนท า, ทาก็ฟัง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 สอนน้องสาวคนนี้จบแล้วจากนั้นนางก็เลยได้บวดเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเนี่ยต่อมามาพูดถึงพนันทะที่นี่ไอ้พนันทานี่ก็พอบวชเข้าม า, าได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ยก็ลํำลึกถึงพนางรูปนันธาและที่เป็นน้องสาวที่มาสั่งเสียกำลังจะลงจากบันไดบันไดพระราชวังนางโผล่ออกมาจากหน้าต่าง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 เอโคตรในใจออกมาเลยเลยพระสงฆ์ทั้งหลายก็ไปกราบทูลพระพุทธไตรเจ้าเลยพระพุทธเจ้าข่าวนันทะเขาอยากจะศึกนะัพระเจ้าข่าวเขาคงจะอยู่ไม่ได้เขาอยากจะศึกพระพุทธองค์เลยอย่างนั้นเหรอไปเรียกนันทะมาก็เรียกนันทะมาเลยพอเรียกนันทะพานันทะเข้าไปถามว่านันทะเป็นไงเธออยากจะศึกเหลือไ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 ทุ่งนาไปเห็นทุ่งนาจะหนึ่งมีมีตอไม้มีตอไม้ต่อหนึ่งแล้วก็เดินผ่านไปพอผ่านไปเกิดพบพระเจ้านิรมิลตลิงตัวหนึ่งลิงตัวเมียนะเออลิงลีงแก่นี่ยลิงแก่ลิงตัวเมียนั่งอยู่ที่ตอไม้อยู่กลางท้องนาเน่นตอไม้ก็ไฟไม่ดำๆใช่ไหมลิงกับขมุกขมอมนั่งอยู่ตอไม้โปรงบอยเห็นไหมนันทะ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 ถ้าหากว่าเธอปฏิบัติทำนะ เ, เรารับรองออสวรรค์สาวสวรรค์ชั้นนี้ได้แน่นอนถ้าเราเรารับประกันครับผมจากนั้นก็ขึ้นไปอีกสันดูสิทธิ์พอถึงสันดูสิทธิพอเห็นแล้วก็เอาเอาลนะมั้งเนาะเอาสามสันนี่ก็พอแล้วไปลงไป เ, เธอต้องปฏิบัตินะถ้าถ้าเธออยากจะได้สาวสวรรค์ชั้นนี้ อ, อท่านท่าก็ครับผมพอจากนั้นลงมาโอ้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 แต่สอนพัฒนันท์่าเนี่ยเอาสองสวยงามมาแนะนำสั่งสอนอผลในสูตก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเหมือนกันทั้งสองอย่าง เ, เพราะฉะนั้นสรุปแรกก็คือเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเหมือนกัน เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านในศึกษาธรรมะรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าแต่ถึงยังไงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันได้ น, นาสั่งสอนเนี่ย ให้พวกเรายึดตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อว่านะเพราะเหตุไรผหลวลงพ่อแนะนําบอกแล้วบอกอีกว่าหลวงปู่มั่นของเราเมื่อท่านจุตินิพพานท่านมรณภาพไปแล้วพวกเราได้ไประชุมเพลิงท่านอธิษฐานของท่านได้ ก, กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นหลวงปู่สามก็ได้เป็นพระธาตุหลวงตามมหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ต่างๆอธิษฐานของท่านได้ ก, กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นต่อหน้าต่อตาแสดงว่า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 ร่างกายเกิดมาจากท้องแม่แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเข้าไปได้ยากพอเกิดมาแล้วขี่ล่ขี่เลยเสร็จสวยงดงามดำขาวก็ได้มาแล้วแต่ใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เป็นให้ให้โง่ก็ได้ให้ฉลาดก็ได้ให้เป็นบาปก็ได้ให้เป็นบุญก็ได้เปลี่ยนแปลงได้โลกนี้โลกหาได้อย่างที่คุณแม่ที่แก้วได้พูดไว้ในในวรลีหนึ่งนะถว่าโลกนี้โลกหาได้